สามจดหนึ่งแปธรรมะพยายามแสดงตัวให้เราดูแต่เราปฏิเสธธรรมะวงเล็บเปิดยี่สิบแปดมีนาคมสองพห้าอห้าสิเอ็ดจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดต้องผ่อนคลายด้วยและยอมรับความจริงด้วยถ้าดูแล้วเครียดทำผิดนะถ้าดูแล้วไม่ยอมรับความจริงนะผิดธรรมะคือความจริงธรรมะได้พยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงตัวให้เราดูแต่เราตังหากที่ปฏิเสธธรรมะธรรมะแสดงให้เห็นว่าตัวเราไม่มี เราก็ชอบว่าตัวเรามีธรรมะสอนเราว่ามีแต่รูปธรรมนามธรรมนะเราก็จะมีเรารูปธรรมนามธรรมก็แสดงไตรลักษณ์เราอยากให้เที่ยงอยากบังคับให้ได้อยากให้เป็นตัวเราอยากให้มีแต่ความสุขใจเราตังหากที่ปฏิเสธธรรมะทั้งๆ ท, ที่ธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาพวกมหายานเขาชอบสอนว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนเลยเขาสอนจริงนะ ทีนี้เราไม่มีจิตใจที่น้อมเข้าไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเองท่านแสดงธรรมอยู่ที่ไหนท่านแสดงธรรมอยู่ที่กายที่ใจนี่ท่านแสดงรูปธรรมนามธรรมให้ดูทั้งวันท่านแสดงไตรรักษ์ให้ดูทั้งวันเราไม่ยอมดูเราเถียงชดชดชดเลยนะอยากให้มันเป็นเรา